พระบัญญัติ5้าก็ภิกษุรับนิมนต์ฉันในตระกูลถ้าภิกษุณีมายืนบ่งการในที่นั้นว่าพวกท่านจงถวายแกงที่นี้ถวายข้าวสุกที่นี้ภิกษุเหล่านั้นพึงไล่ภิกษุณีนั้นออกไปด้วยกล่าวว่าน้องหญิงเธอจงหลีกไปตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังฉันอยู่ถ้าไม่มีภิกษุแม่รูปหนึ่งว่ากล่าวเพื่อจะไล่ภิกษุณีนั้นว่าน้องหญิงเธอจงหลีกไปตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังฉันอยู่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงคืนว่าท่านทั้งหลายพวกกระผมต้องทำคือปาติเทสนิยะเป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสัปปายะกระผมขอแสดงคืนทธรรมนั้นเรื่องพวกภิกษุณีชัพพคีจบ